ธรรมชาได้พูดถึงพระสังฆราชเจ้านะกมรมหลวงวัชริรยานวงศ์ซึ่งเป็นพระสังฆราชเจ้าองค์สุดท้ายนะของกรุงรัตนโกสินนะแล้วก็เป็นพระอุปชานะของในหลวงอุปจุบันตอนที่พระองค์ออกพนวดนะเมื่อโน่นหกสิบปีที่แล้วนะ ท่านมีวัดปฏิบัติที่ง่ายๆนะมเมื่อาวานอเมร์เช้าก็ได้พูดไปหน่อยเวลาฉันเนี่ยนะท่านก็จะมาฉันที่ห้องเล็กๆหน้าตําหนักนะหรือว่านากุติจนะมีห้องเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งนะเป็นอเป็นที่ที่ท่านมาฉันเป็นประจําไม่มีโต๊ะนะท่านก็นั่งพับเพียบ แล้วก็หลังพิงฝาเวลาชันนะท่านก็จะหยิบเม็ดข้าวสารนี่แหละเม็ดข้าวสุกนี่แหละนะมาจิ้มกับกับข้าวนะแล้วแต่ว่ากับข้าวจะมีอะไรบ้างจิ้มเสร็จก็มาวางไว้ตรงตรงฝานะฝาด้านหลังของท่านนะเส้วก็จะเคาะเบาๆนะเคาะที่ฝาเบาๆนะๆนะก็จะมีจิ้งจกออกมา จิงจกมากันหลายตัวเลยจิงจกมาทำไมมากินข้าวนะที่ท่านได้มาวางเอาไว้ไม่ได้จิงจอกตัวเดียวนะหลายตัวเลยรู้เวลานะพอท่านเคาะที่ฝา น, นี่รู้ละเวลาอาหารบางตัวนี้ก็มาคอยก่อนเลยนะมาอยู่รอบๆท่านนะแล้วท่านกา็หยิบนะ หยิบข้าสุกเนี่ยนะใส่ปากนะใส่ปากจริงจกนะจริงจกก็มากินกับมือนะนะั่งงี้เป็นอย่างี้หลายตัวทีเดียวท่านฉันไปก็เลี้ยงจริงจกไปนะเขาว่าเนี่ยกว่าท่านจะฉันเสร็จนี่ก็นานทีเดียวแล้วว่ากันว่าท่านรู้จักจริงจกทุกตัวเลยนะในกุฏิเนี่ยนะที่รู้จักเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ไม่มานะมาตามนัดเนะ คือท่านมีเมตตามากนะท่านมีเมตตากับกับสัตว์นะถ้ากุฏิท่านมีทุกแกก็คงจะชวนทุกแกมาด้วยนะนะอันนี้วัดบวรนะแล้วก็ความเมตตาของท่านก็เป็นที่รู้กันนะคือสังฆราชที่มีเมตตาต่อสัตว์ก็มีหลายองค์นะองค์หนึ่งก็สังฆราชสุขนะสุขมี เขเรียกสันสุกไก่เถือนสุกไก่เถือนอยู่วัดราชสิทธิ์นะสมัยรัชการที่สองและการที่สามเนี่ยวัดราชสิทธิ์นิตกรนี่อยู่ฝั่งทนอ่ะมันก็จะเป็นป่านะมีมีไก่ป่าเยอะมากนะไก่ป่านี่มันระแวงคนมากนะแต่ว่าเจอสังคราสุกเนี่ยนะมันสงบเลยนะมันก็มาหาท่านส่วนสังคราตเจ้าองค์นี้นี่ท่านนะ สา ม, มารถที่จะทําให้จิงจกนีิเชื่องได้นะเพราะท่านเลี้ยงจิงจกอยู่เป็นประจํำนะก็คงมีสัตว์อื่นด้วยนะที่ท่านเลี้ยงอาจจะเป็นแมวเนี่ยแต่ถ้าคงระวังนะไม่ให้แมวมาไล่กัดจิงจกอันนี้เป็นลักษณะเด่นของสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้นะท่าน อ, อยู่ง่ายกินง่ายนะใครถวายอะไรมาท่านก็ฉันฉันก็ก็ไม่ได้ยินดีกินเลออะไร ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อช้าว่าท่านก็ไม่ได้ติดยศติดยึดอะไรกับยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าสมณศัก์นะเป็นพระอย่างไรสมัยที่ยังเป็นหนุ่มนะท่านก็ดํารงตนอย่างนั้นเมื่อได้เป็นสังฆราชพระสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าท่านจะอยู่ง่ายเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ก็ถือเป็นเรื่องเรื่องนอกตัวนะ ก็คิดว่าเป็นธรรมเป็นพระธรรมดาเพราะท่านคงรู้นะว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะโดยเพราะถ้าไปยึดติดกับโลกธรรมนะท่านก็จะเป็นสมมุติคนที่ไม่รู้เนี่ยนะคนที่หลงเนี่ยก็จะไปยึดนะเป็นอะไรแล้วก็จะยึดนะว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่โดยที่ไม่รู้ว่าให้เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะ หรวงพ่อมเขียนถึงบอกว่าเนี่ยนะว่าจะเป็นอะไรกับอะไรหรือว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือไม่ไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ไอ้ที่เป็นเนี่ยก็เป็นแค่สมมุติหรือว่าเป็นสิ่งที่คนหยิบยืดนมาให้สิ่งที่ใครหยิบยืดนมาให้นะเขาก็สามารถที่จะถอนออกไปได้เหมือนกันหรือว่า คว้ากลับนะ <c oughs> ไปได้เหมือนกันทุกอย่างนะที่เขาให้เรานะเขาก็สามารถจะเอากลับไปได้ให้ตำแหน่งเรา <c oughs> เขาก็สามารถจะดึงตำแหน่งนั้นกลับไปได้เนะี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงฉะนั <c oughs> ้นทำไมสำคัญมากว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยก็ทุกนะทุกขณะที่เป็นเพราะกลัวคนจะมาแย่งไปกลัวคนจะมา เด่นหรือดังกว่าเรานะคนอย่างเช่นคนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะแข่งชนะเนี่ยไปยึดมาเป็นผู้ชนะเมื่อไหร่ก็จะทุกข์นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคนอื่นก็จะมาะชนะเราใครที่เก่งกว่าก็จะอิจฉาเขามองก็าเป็นคู่แข่งกลัวว่าเขาจะแย่งชิงความเป็นผู้ชนะไปจากเรา เมื่อสำคำวาหมายเป็นผู้ชนะ น, นี่รู้ว่าเกิดภพชาติขึ้นมาแล้วนะว่าภ พ, บพบชาตินี่มันไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวนะความเกิดในทางจิตว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นลอกเตอร์นี่ไอ้พวกนี้ก็ก็เป็นภพชาติเหมือนกันหรือว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ภพชาติเหมือนกันถ้าไปยึดนะถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นไรนะ เป็นก็เป็นโดยไม่ยึดนะเป็นแบบที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเป็นแบบไม่เป็นอะไรกับอะไรนะอันนี้แหละนะมันเป็นมันเป็นสภาวะนะนะที่เกิดจากการที่มีปัญญามีปัญญาเห็นโทษนะของความเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นก็ เป็นตามที่เขาว่ากันนะแต่ไม่ได้ไปยึดมั่นสําคัญมาว่าเออฉันเป็นอย่างที่เขาว่านะแล้วกรทําเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็ทุกข์เหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วพอเป็นแล้วนี่ก็ mm hmm. เพียงแค่ลูกเนี่ย mm hmm. เขาไปสนิทสนมกับคนอื่นนะ mm hmm. เขาไปเรียกคนอื่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่นี่บางทีพ่อแท้แม่แท้ก็เสียใจนะ mm hmm. ว่าทําไมลูกเราไปรักคนอื่นนะอันเนี้ย นั่นเนี่ยเร่อวัตุของความของคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะไปสนิทสนมกับใครเขาจะไปนับถือใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็น่าจะนุโมทนายินดีนะว่าเออนะเขามาีมีผู้ใหญ่ที่เขาเคารพแต่ถ้าไปยึดมั่นความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะทุกข์นะที่ลูกทำตัวอย่างนั้นหรือว่าลูกไปมีไปครอบผู้ใหญ่สนิทสนมอย่างนั้น บางทีก็เละนะเละผู้ใหญ่นะที่ลูกเขานับถือเป็นพ่อเป็นแม่อิจฉาเขาก็มีนะอันนี้ถ้าไม่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะก็จะกลายเป็นว่าสร้างความทุกข์ใส่ตัวรวมทั้งไม่ไปรวมทั้งการไปยึดวันลูกของฉันนะมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้ฟังนะไปเจอกันในงานศพของพ่อเพื่อนเมื่อสักต้นปีนี้เขาบอกว่าเนี่ยได้ที่ผ่านมา เขามีความทุกข์มากนะทุกข์เพราะลูกชายเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังเขาเขาเป็นคนเขาเป็นนักธุรกิจที่เก่งนะแล้วก็ทำธุรกิจระดับชาติเป็นคนขยนันเป็นคนฉลาดแต่ลูกนี่ไม่เอาทานเลยหรือว่าลูกไม่ค่อยกระตือรือร้อนขยันเหมือนเหมือนพ่อก็เคี่ยวเข็นนะลูกก็ไม่ทาตามก็มีความทุกข์ ตอนหลังพอไม่ได้ได้มาฟังคำํำบรรยายนครตา ม, มานะก็พูดเรื่องนี้ว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราเลยนะแม้แต่ลูกก็ไม่ใช่ของเราเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเราเลี้ยงเข้าไม่ได้บังคับเข้าไม่ได้เขามีชีวิตของเขาเพื่อนได้ฟังก็ก็เออได้คิดนะว่าลูกไม่ใช่ของเราเขาก็เริ่มปล่อยวางนะบอกว่าเขาเครียดน้อยลงเขารู้สึกว่าสบายมากขึ้นสบายใจมากขึ้น เวลาอยู่กับลูกก็ไม่ทุกมันก่อนและที่เขาแปลกใจคือว่าความสัมพันธ์ของลูกของเขากับลูกมันดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะวันหนึ่งลูกก็มาบอกว่าเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นแล้นะเขาแปลกใจมาเพราะเขาก็เชื่อเขาไม่ได้ทําอะไรมากก็เพียงแต่ว่าปล่อยวางนะไม่ได้ยึดว่าเป็นลูกของฉันแต่ว่า ก, การวางใจแบบนั้นก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มฟังลูกมากขึ้นพอลูกฟังเขานะพอ พอพอลูกเนี่ยรู้สึกว่าพ่อฟังเขานะลูกก็เริ่มจะฟังพ่อมากขึ้นนะเมื่อลูกฟังพ่อนะเมื่อพ่อฟังลูกเนี่ยลูกก็จะฟังพ่อมากขึ้นมันเป็นอัตโนมัติอ่าพ่อแม่แล้วคนที่บอกว่าเนี่ยทํายังไงดีนะลูกไม่ฟังฉันเลยเนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากนะแก้ด้วยการที่พ่อแม่นี่ฟังลูกก่อนนะถ้าฟังลูกแล้วเนี่ยลูกก็จะฟังเรา แต่ที่ไม่ฟังเพราะว่าไปยึดมาลูกของเราลูกของเราลูกก็ต้องเชือ่อเราลูกก็ต้องทําตามที่เราบอกเราแนะเราสั่งเพราะเราปรารถนาดีในความคิดแบบนี้แหละนะก็ทําให้พ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกนะเอาแต่สั่งลูกจําจีจําำัยกับลูกแล้วลูกก็เลยเป in ็นทุกข์เพื่อนเขาก็มาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยเขาารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของลูกของเขากับลูกดีขึ้นก็มาขอบคุณนะขอบคุณว่าได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยได้คิดมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้น นั้นเป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะสําคัญมากนะถ้าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วยึดมัน ก, ก็ทุกเนี่ยก็ลองนะที่จะไม่เป็นอะไรกับอะไรดูนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่แค่คิดเอานะมันต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะต้องมีส ต, ตินะรู้จักปล่อยรู้จักวางในความคิดทั้งหลายไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไม่เป็นอะไรกับอะไรนะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้